ขี้เกียจท่องบนขี้เกียจสวดมนุ์ขี้เกียจภาวนาตายฟรีตายฟรีเดชฟรีตายฟรีฟรีกินแล้วนอนกอละนินกินแล้วนอนกอละนินตายฟรีฟรี เห็นไหมเขาตายในวนลาหนึ่งวนลนสองนะความตายมาถึงก็หมดโอกาสแล้วนอกจากความตายมาถึงแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันมาเยียนแล้วเป็นยังไงทำอะไรกับเมืองก็จะหลุดจะร่วงไปล่ะหัวจะร่วงแขนก็จะร่วงขาเอว มวยใจก็จะร่วงมันเจ็บใขรได้ป่วยเ่ยวางเป็นอยู่มันไม่แน่นอนวันคืนร่วงไปวันคืนร่วงไปร่างกายเดี๋ยวนี้ต้องระวังให้ดีนะแม้แต่ไอยุงลายไข้เลือดออกนีกน่อันตรายแล้วนะเดี๋ยวนี้นะนะอันตรายแล้วแค่แค่ยุงลายเนี่ยก็เป็นไข้ดูแลไม่ทันอีก ชักแง ๆ, ๆตา ย, ตายเหมือนไอ้มาเลาเรียเลยนะยุงลายเนี่ยนแน่นอนที่ไหนต้องดูต้องระวังมันด้วยมันกำลังระบาดเต็มไปหมดนะจากนั้นก็ะรคภัยไข้เจ็บสรพัดโรคตับโรคไตโรคปอดมะเร็งเบาหวาน ปวดหัวไมเกรนสารพัดร่างกายมันเป็นที่รวมของสังขารที่รวมของสังขารของหลายอย่างมารวมกันพอมารวมกันมันไม่ได้ความสมดุลขาดความสมดุลมันก็ทําให้ส่วนนั้นเจริญเกินไปทําให้ส่วนนี้เสื่อมลงไปทําให้ส่วนนั้นขาดไป ร่างกายก็ขาดความสมดุลก็ขาดความพอดีพอดีดินน้ำลมไฟมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกปรับให้ได้รับความสมดุลร่างกายก็ปลอยไม่เป็นไปตามระบบไม่เต็มเป็นไปตามระเบียบหลายเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยชาติปิทุขาได้ชาติคือความเกิดมาแล้วเขาเป็นทุกข์ชราปิทุกขา พยาธิปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกความเจ็บใครได้ป่วยก็เป็นทุกในที่สุดความตายมรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกมันจริงเรานี่แหละมันบีบคั้นกองสังขารกองนี้แต่ละกองแต่ละกองเนี่ยมันบีบคั้นอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกเวลาทุกวินาที ไม่สําคัญว่าอดไม่สําคัญว่าอิ่มมันจะบีบคั้นไปหมดแหละเราจะเอาอะไรเป็นที่ไว้วางใจได้ท่านจึงให้พยายามศึกษาฝึกฝนอบรมฝึกหัดดัดแปลงทั้งส่วนของรูปทำทั้งส่วนของนามธรรมาคือจิตใจให้มันมีสติให้มีปัญญาให้มันรู้เท่าๆรู้ทันทัน ให้มันรู้เท่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันอะไรรู้เท่ารู้ทันกองสังขาร น, นี่แหละกองสังขารมันตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปใครจะดัดแปลงอะไรให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้มันก่อตัวเกิดขึ้นมาแล้วชาติพิทุขาความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ความทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ความทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรดับสังขานทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือกองทุกข์เกิดขึ้นสังขานทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่ก็คือกองทุกข์ตั้งอยู่ในระหว่างที่ตั้งอยู่ก็แปรปรวนเป็นธรรมที่เป็นวิปริณามธรรมปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเจ็บบ้างป่วยบ้างทุกบ้างสุขบ้างปะพลกันไปในที่สุดทนไม่ได้ก็ดับไปความทุกข์ดับไปสังขารที่เป็นส่วนรูปคือกองทุกข์ดับไปแต่สังขารที่เป็นส่วนทุกข์นามมาทำนี่ไม่ดับ เสื่อมศูนย์สลายไปไหนแบกบาปแบกกรรมแบกบุญแบกกุศลไปเกิดตามพบตามภูมิที่ควรจะได้ควรจะเป็นไม่มีจบไม่มีสิ้นอยู่แค่นั้นมันไม่จบทำไมมันถึงไม่จบเพราะดวงจิตของเรามันยังเป็นกองสังขารอยู่สังขารมันทำหน้าที่ของมันยังไม่สุดมันจะต้องดิ้นรนพาไปสู่พบภูมิใหม่ไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ มันต้องไปหาเกิดอีกต้องไปหาที่เกิดอีกคือความทุกข์ยังมีอยู่สังขารยังมีอยู่จิตที่จิตคือผู้รู้กับผู้รู้ยังไม่ฉลาดรอบของตัวเองนั่นแหละรวมกันเป็นสังขารสังขารยังมีอยู่กองทุกข์ก็ยังมีอยู่สังขารจะไปเกิดที่ไหนพบใดก็ตามกองทุกข์ก็ตาม ไปที่นั่นแหละเพราะตัวสังขาร น, นั่นแหละคือตัวทุกตัวทุกนั่นแหละคือตัวสังขารมันหากมีร้อยแปดันเอยู่อยู่ในกองทุกนั้นนั้นแหละที่จะพึงทําให้เราดีใจบ้างเสียใจบ้างเพลินใจบ้างทุกยากลําบากใจบ้างเดือดร้อนแสนสาหาัสสากันขนาดไหนสารพัดปัญหาที่จะพึงเจอในเมื่อเรามีแล้ว ไปโผลที่ไหนคือกองทุกข์เกิดขึ้นเกิดขึ้นเราตั้งอยู่กองทุกข์ตั้งอยู่แปรพลันไปดับไปอีกตายไปอีกกองทุกข์ก็ดับไปอีกเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเวลาเราทุกข์เราร้อนเต็มที่ในหัวใจของเราเราดูเถอะมันหน้าเข็ดหน้าหลาบไหมเรารำพึงรำพันถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นเหตุให้เราไม่นิ่งนอนใจไม่ตายใจกับกองสังขารกองนี้ การไม่ตายใจนั่นแหละท่านจึงดูให้เห็นทุกเห็นทุกเห็นโทษของมันมันดูไม่เห็นดูยากดูลําบากท่านจึงให้ทําจิตให้สงบซะก่อนทําผิดให้รวมลงมาซะก่อนให้สงบซะก่อนให้ได้กําลังซะก่อนแล้วค่อยมาหัดนึกหัดคิดหัดพิจารณาแยกแยะเพื่อจะเห็นลักษณะที่แท้จริงของสังขารคืออะไรรู้จังไหมลักษณะที่แท้จริงของสังขาร อ น, นิจจังทุกขังอน uh. อัตตานั่นแหะอนิจจังทุกขังทุกขังก็คือสังขารมันประกอบกันแล้วมันไม่เคยหยุดอยู่กับที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหยุดไม่หยุดอยู่กับที่เป็นทุกขังต้องเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังท่านให้ดูให้เห็นถ้าเราไม่ดูเราไม่เห็นในเมื่อเราไม่เห็นเราก็พึงพอใจหวังเป็นหวังตายกับสังขารดวงนี้สังขารกองนี้ อพอเวลาเกิดความผิดหวังอย่างนั้นอย่างนี้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็มาทับถมโจมตีหวัวใจของเรามันก็มีอยู่กันแค่นี้มีอยู่แค่นี้เองมีอยู่กับความลุ่มหลงของเราหลงกองสังขารกองนี้เราจะศึกษาเราจะคลีดพิจารณาเราจะคลี่คลายยังไงมันถึงจะเห็นลักษณะของอนิจจังของสังขารลักษณะของทุกขขังของสังขาร แต่ที่เราเป็นอยู่นี้ตราบใดที่เราไม่ได้พิจารณาอาการสองอย่างอนิจจังทุกขงังตราบนั้นเรามักจะกะจะเกณฑ์สังขารได้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองในเมื่อไม่พิจารณาถึงความไม่คงทนของของรูปธรรมของนามธรรมาไม่พิจารณาถึงความไม่ต้องเปลี่ยนไปของรูปธรรมและนามธรรมาตราบนั้นเมื่อนั้นเราจะต้องหวังในรูปธรรมว่า รูปธรรมของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนามธรรมของเราจงได้เป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนี่อัตตาตัวตนมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแหละด้วยเหตุที่เราปรารถนาแล้วเราผิดหวังไม่มีใครร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนปรารถนาไม่คิไม่มีใครสมหวังสักคนเพราะหนทางของมันกระแสของมัน ที่ไหลไปของมันก็คืออนิจจังคือทุกขังเราไปก็ไปเกณฑ์ให้สมใจหวังความทุกข์ทั้งหลายกระทับถมหัวใจนี่แหละคืออนัตตาอนัตตาที่พระพุทธเจ้าททรงตรัสเราพยายามดูให้เห็นรูปธรรมของเราร่างกายของเราดูแต่กําลังวังชาของเราเนี่ยเราอยู่อย่างนี้เราดิบดีสมมุติเราอดเราอดข้าวปั๊บอดอาหารปั๊บ หรือเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยพับหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาพับอันนั้นก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เปลี่ยนไปร่างกายเคยร่างกายเคยอยู่สุขสบายเบาสบายปลอดโปรง่งเยือกเย็นกลับเป็นเร้าร้อนกลับเป็นกระวนกระวายกลับเป็นหิวกลับเป็นกระหายกลับเป็นหายใจไม่สะดวกกลับเป็นถายหนักไม่สะดวกถ่ายเบาไม่สะดวกสารพัดเลยแต่มันจะมี แล้วจะมันจะเป็นหวังให้มันเป็นอย่างอื่นให้มันสมหวังของตัวเองมันไม่มีไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะสภาพอันนี้ไม่มีใครไปบังคับบัญชามันได้ทำไมถึงบังคับบัญชามันไม่ได้เพราะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มาประกอบกันเป็นของสังขารกองใหญ่กองสังขารกองใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาอืแล้วปราถนาให้เป็นตัวเป็นตนตั้งเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาเฉพาะหน้าสดสดร้อนร้อนเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ตอนนี้ในขณะที่เราตั้งมาเราก็ถูกหลอกในขณะที่เราขยับมันไปทุกก้าวทุกก้าวเราก็ถูกหลอกถูกมันหลอกทําไมเราจึงถูกหลอก เพราะเราหลงว่าเราจะบังคับบัญชาให้มันเป็นไปตามใจเราหวังได้หลงหลงหลงยึดหลงติดคิดว่ามันจะเป็นไปตามใจที่เราหวังอุสานึกว่าอย่าให้เป็นอย่างนี้อุสานึกว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นอุสานึกอย่าให้เป็นอย่างนี้สมใจหวังสักนึกไหมล่ะนึกยังไงก็ไม่สมใจสักนึกเลยนึกให้ได้มาก็ไม่ได้นึกให้ชิบหายอันตรฐานไปมันก็ไม่ชิบหาย ดึงเข้ามามันก็ไม่มาผลักออกไปมันก็ไม่ไปก็เหมือนอย่างเรานึกเฉยๆสมมติเรามีค้อนหินอยู่ข้างหน้าเรานะเรานึกนึกให้มันโปล่ขึ้นมานึกให้มันกลิ้งข้ามานึกให้มันกลิ้งออกไปนึกไปสินึกจากนี้ไปยนตายมันก็กลิ้งข้ามาไม่ได้มันก็กลิ้งออกไปไม่ได้เพราะมันมีเหตุมันมีปัจจัยของมันถ้ามีแรงไปผลัก พลังไอกลิง้งเขามาเนี่ยมันก็มาได้พรัไอ้ปลิ้งปลิงปล้งออกไปมันก็ไปได้แต่ด้วยเรี่ยวแรงที่เรานึกเราคิดนี่จะเป็นไปตามใจที่เรานึกเราคิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนพระุทธเจ้าท่านทรงแสดงจึงแสดงในอนัตตะลัคนาสูตรสูตรที่พูดถึงเรื่องอนัตตาอนัตตาน่พระปรรถนาอย่างอย่างใดไม่เป็นไปตามใจหวัง ปรารถนาะว่าร่างกายที่อย่างไหมเป็นสุขไหมเป็นอัตตาไหมโนเห้ตังต้งปันตีไม่เป็นไปตามใจหวังเป็นไปเพื่อสุขไหมร่างกายเป็นเพื่อนิจจังไหมเป็นเพื่อสุขขังไหมเป็นเพื่ออัตตาไหมโนให้ตั้งปันตีปรารถนาไม่เป็นไปตามใจหวัง ปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีพิจารณาทุกบททุกบาทที่พระเจ้ทาท่านทรงแ ส, สดงจิตก็เข้าถึงความมีมุติเข้าถึงความหลุดเข้าถึงความพ้นท่านฟังไปด้วยขณะของจิตก็ขยับภูมิทำตามคําสอนของพระเจ้าไปด้วยเมยือ่ผู้ะยากเปิดให้เปิดให้พุทธก็ขยับเข้าขยับเข้าขยับเข้าขยับเขาขยับเข้าขเพ า, เ า, เ า, เาะท่านได้พื้นเพได้ชรินิสยัยแล้วท่านเป็นพระโสดาบันแล้วพระจบอนตัตตลักษณสูตร จิตของพระปัญจวัคขีทั้งทั้งนั้นก็วิมุตจิงสู้ตีรุดพ้นรวยโดยประการทั้งปวงรุดพ้นจากการยึดการถือการเกาะการเกี่ยวการผูกพันการที่จะไปสำคัญมั่นหมายให้มันเป็นนิจจังให้มันเป็นสุขขังให้มันเป็นอัตตาเห็นสภาพตามที่มันเป็นจริงว่าโอ้อานิจจังโอ้ทุกขงังโอ้อนัตตาอย่างแท้จริงจึงปรารถนาอะไรไม่ได้สมหวัง จิตที่เคยยึดเคยถืออย่างเหนียวแน่นมั่นคงเห็นโทษเห็นภัยก็ทีบออกไปเลยนไงทีบทิฏฐิตัวนี้ออกไปออกไปจากหัวใจของเราจิตมันพลิกตัวของมันเองอเคยมืดเคยทึบเหมือนก็มีมีมมอะไรมาบดมาบังจิตของตัวเองอย่งนี้แหละพอพิจารณาไปพิจารณาไปเหมือนกับมันพลิกตัวของมันเองมันเป็นช่องเป็นทางเป็นปัญญา ที่ละเอียดกว่าพื้นพื้นที่เราเดินเข้ามาที่เราขยับเข้ามาที่เราพิจารณาดูอาการเปลี่ยนแปลงเข้ามามันขยับพลิกตัวเข้าไปก็ถึงปัญญายานปัญญาอย่างรู้ตามเป็นจริงว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นอย่างนี้จริงปักใจนึบเข้าไปร้อยเปอร์เซ็นหมดสงสัยจิตเคยลุกเคยคลําคยยืดเคยเกาะเคยติด มันก็ปลอยกระจายหายระเหยออกไปจากหัวใจหมดสิน้นผลทุกผลโทษโดยประการทั้งปวงตราบนั้นกองสังขารที่มีอวิชชาที่เป็นตัวกองสังขารมันก็หมดไปเหลือแต่ผู้รู้ถารู้ที่บริสุทธิน์นีเราพูดตามธรรมะที่พระกุบาจาันและพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดง ในที่สุดมันปลายสุดท้ายก็เหลือแต่โพรู้ที่บริสุทธิ์มรู้บริสุทธิ์ไม่มีสังขารไม่มีกองสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องความทุกข์ก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตก็ไม่มีไม่มีสิ่งเหล่านี้ทําให้จิตที่บริสุทธิ์ดวงนั้นเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วเป็นจิตที่หมดสังขารเป็นวิสังขารอ่าเป็นจิตที่หมด อัตาหมดอนัตตาเป็นจิตที่เป็นนิพพานเป็นนิพพานนิพพานคือดับรอบดับความโลภความโกรธความหลงดับตัณหาดับอวิชชาดับอุปาทานเมื่อดับตัณหาแล้วกระบวนของปัจจัยการทั้งหลายที่เป็นเส้นเป็นสายมันก็ดับเป็นช่วงไปชุ่งเป็นชุวดับดับจนหมดโสกะปริเทวาทุกขะ โภมนัสส์ที่ได้รับอยู่เป็นอาชินก็ดับมอดไปหมดเพราะต้นต่อมันหมดแล้วดับหมดแล้วต้นตอมดับหมดแล้วปลายมันก็ดับหมดเป็นเรื่องของเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยนี่เราใช้ความสงบของใจใช้ความอุตสาห์พยายามของของใจของเราเนี่ พยายามตามต้นพิจารณาให้จิตของเราได้รับความสงบให้เป็นตัวของตัวเมื่อเป็นตัวของตัวแล้วก็มาพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาแนละ้วมันมันหลงพิจารณาก็คือมาคลี่คลายดูมาพลิกดูมาจับดูมาพลิกดูดูสีดูสันดูสันฐานดูความอยู่ดูความเป็นไปดูความเป็นมาดูดูก็คือดูอารมณ์ ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตดูความหลงของจิตดูกิริยาที่มันเกิดภายในจิตดูความอยากที่จะมันจ ะ, สะแสดงบทบาทออกมาที่จิตนะผู้ที่จ ะ, สะแสดงบทบาทออกมาที่จิตของเราตราบที่เรายังมันยังมีอยู่ก็คือเจ้าตันหานี่นแหละมนแสดงออกมาสแสดงบทบาทในจิตของเราเลยนะทำไมเราจึงรู้ไม่ทันนะ ทำไมเราจึงไม่รู้เท่ามำไมเราจึงไม่รู้ทันก็เพราะความหลงนี่แหละหลงสําคัญว่ามันแสดงมาตามหลักธรรมชาติของมันเราไม่ได้สําคัญว่ามันแสดงเพื่อที่จะดึงเราเนี่ยไปให้รับทุกข์รับโทษรับเวรรับภยัยรับบาปรับกรรมมันกระดุกกระดิกพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเอาเราไปมัดกับสิ่งนู้นเอาเราไปมัดกับสิ่งนี้กะเกินให้เราเป็นอย่างนั้นกะเกินให้เราเป็นอย่างนี้นะ ใช้เราให้ทำอย่างนั้นใช้เราให้ทำอย่างนี้จิต hir, ของเรามันโง่มันไม่เฉลาดมันก็เดินตามหลังมัน ต, estaban, ต้อยต้อยต้อยต้อยต้อยต้อยไม่มีที่จบไม่มีจุดจบหลงเคลิ่มไปไม่รู้ว่าอะไรคือมิตรอะไรคือศัตรตูเห็นเป็นมิตรทั้งหมดเห็นเป็นมหามิตรทั้งหมดทั้งๆ ท, ท, ที่นั่นคือมหาศัตรูศัตรูตัวที่ร้กาศเราดูไม่ออกเราเข้าใจไม่ได้ ร, ร้กาศตัวนี้ร้กาศมาก ความสงบที่เราตั้งใจภาวนาะจิตได้รับความสงบจิตจะเริ่มเป็นตัวของตัวจะเริ่มมีความนึกความคิดแปลกๆขึ้นมาจิตจะเริ่มเป็นตัวของตัวปัญญาที่จะพึงมองเห็นสัจจะหยับหยาบมันก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมันก็จะเริ่มมีขึ้นทาให้ชัดเจนกับอารมณ์นั้นทําให้ชัดเจนกับอารมณ์นี้นีนนน่คือจิตที่อยู่จิตที่สงบ ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราภาวนาให้จิตได้๋ยวเราความสงบเมื่อสงบแล้วก็เอามาพิจารณาหานี่แหละเพราะเราหลงเพราะเราไม่ได้พิจารณามันตามมากับการที่เราได้มานับตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องแม่ออกมาโตเจริญวัฒนาถาวรมาแล้วก็ตามหลังมันต้อยต้อยต้อยต่อยต่อยมีแต่หาอะไรให้มันอยู่มันกินมันเป็นมันไปตามใจชอบอืม ไม่มีไม่มีหยุดยั้งอยู่กับที่มันพาไปนูงนมันพาไปนี่มันพาคิดวุ่นคิดว่อนหมดทั้งโลกนั่นแหละคิดสรรพัดอย่างอิสระเสรีแล้วแต่มันจะพานึกพาคิดชั่วช้าลามกหยาบคายเผ็ดแสบทารุนขนาดไหนมันพาเรานึกมันพาเราคิดไปหมดเลยมันไม่เคยมีขอบมีเขตมีประมาณน้ำในมหาสมุทรยังมันยังมีขอบมีเขตมีประมาณ แต่เจ้าตันหาความอยากภายในใจของคนของสัตว์เนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเราย้อนดูไปที่ใจของเราให้เห็นความอยากที่มันแสดงออกมาย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปการย้อนเข้าไปก็เป็นการย้อนเข้าไปพิจารณาย้อนเข้าไปก็เป็นเหตุให้สงบระงับรู้กิริยาของจิตอาการของจิตย้อนเข้าไปเพื่อจะเห็นเพื่อจะได้ดู ที่มันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวตัวเองไปทำให้เรารู้เท่าทันในขณะปัจจุบันเมื่อเรารู้เท่าทันมันก็มันก็เริ่มมันก็เริ่มเริ่มดับพอเรารู้ในขณะปัจจุบันที่มันจะเริ่มแสดงตัวมันก็เริ่มดับเพราะอสรพิษนั่นะมันกลัวความสว่างปัญญาเป็นแสงสว่างอวิชชาคือความมืดมันก็กลัวความสว่าง อวิชชาคือความมืดมันก็กลัวความสว่างอาวิชชาในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามาดัดแปลงขัดเปลาให้รู้อรู้ดำรู้แดงรู้เงินรู้สารพัดที่มันจะพึงรู้ในหัวใจของเราอมันก็กลัวเหมือนกันตราบใดที่เราใช้ปัญญารู้เท่าทันมันทุกระยะทุกเวลามันก็จะค่อยๆบทบาทหมดบทบาทไปอ พรจิตดวงนี้เริ่มสว่างพอเริ่มสว่างเมื่อความสว่างมีตัวเจ้าตันหาที่มันหาช่องหาโอกาสที่จะมาเล็ดลอดมาคอยโดดดิ้นอยู่ในหัวใจของเรามันก็ค่อยๆถอยไปถอยถออกไปเหือดไปแห้งไปก็คือมันถูกชำระถูกขัดเปล่าจนเกิดประกายแวววาวในในตัวจิตของเราเองมันมีความ ม, วา ม, มีความสว่างในตัว เมื่อมีความสว่างในตัวมันก็เกิดเงาเกิดความสว่างเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความผ่องใสสิ่งเหล่านั้นมันหากตามอยู่รอบข้างตัวเราเราก็คอยพิจารณาตามต้นไปอยู่ทุกระยะทุกเวลานี่คือการชำระขัดเราปฏิบัติจิตของเราให้ได้รับความสงบให้ได้รับความสุขให้รู้เหตุ ให้รู้ผลให้รู้ที่ไปที่มาของสังขารสรุ ป, ปลงแล้วคือสังขารรูปประธรรมกับสังขารนาะมธรรมนี่แหละโดยเหตุที่เราไม่พิจารณาย้อนมาดูเราก็หลงหลงรูปของตัวเองดูที่เราหลงหรือไม่หลงหลงเวทนาสุขทุกข์ของตัวเองดูที่หลงหรือไม่หลงสัญญาเนะี่ยนึกคิดหลอกตัวเองทั้งวีทั้งวันเนะี่ยหลงหรือไม่หลงสังขารปรุงหลอกตัวเองทั้งวันหลงหรือไม่หลงวิญญาณแยกมา ก็เราเลยเป็นผู้ทํา ง, งานจิตเราเป็นผู้ทํา ง, งานตาเราเป็นผู้เห็นเห็นรูปจิตเป็นผู้ทํา ง, งานหลงยึดในรูปรูปที่ดีรูปที่เหมาะรูปที่ถูกก็ดึงเข้ามารูปที่ไม่ถูกไม่ถูกกริตไม่ถูกนิสัยไม่ถูกไม่ไม่เหมาะไม่ชอบใจก็ผลักออกไปทีป อ, อกไปมันก็มีกันอยู่แค่นี้แหละโอกาสที่จะเห็นตามหลักความเป็นจริงมันเห็นไม่ได้ มันถูกสิ่งพรางตามาปิดปัญญาปิดฝ้าปิดปัญญาไปในใจของเราไม่ให้เราเห็นเรื่องจริงเห็นแต่ของเคาะหของหลอกเห็นแต่ของปลอมเห็นแต่เรื่องปลอมไม่ได้เห็นเรื่องจริงในส่วทุกทุกเรื่องที่เราเห็นเราก็หลงไปตามมันทุกเรื่องที่เราเห็นแล้วหลงมันก็เสกให้เรื่องดีๆให้เราหลงมันเป่าแต่เพลงดีๆให้เราฟังแล้วเคลิมหูไปตามมัน สิ่งนี้สิ่งเป็ที่เป็นพิษเป็นาพายอยู่ในหัวใจของเราเราทอดทิ้งทั้งๆ ท, ท, ที่เรารู้รู้อยู่มันก็เสียเวลามเวลาเสียโอกาสเหมือนอย่างที่ว่านแหละที่เกียรติภาวนาที่เกียรติฝึกฝนที่เกียรตอบรมที่เกียรติท่องบนสวดมนต์ภาวนาห น, หนักเข้ามันไม่ได้ชำระจิตดวงนี้ให้เกิด มีคุณภาพอะไรแตกต่างมากกว่าเดิมของที่เราเคยหวังอะไรอยู่บ้างเราเลือนล้างจางหายไปหายไปจนหมดหมดพลังที่จะจัดจะทำเอาเท่าเดิมตายตายก็ตายก็ได้เท่าเดิมสิ่งที่เราสิ่งที่เราคิดหวังจะได้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ถึงเท่ากับว่าตายตายฟรีกับสิ่งที่เรา ต้องการแต่มันไม่เสร็จสำเร็จตามมันไม่เสร็จตามที่เราต้องการนี่เราพิจารณาเทียบเคียงอย่างนี้แล้วเราก็พอที่จะมีกระจิตกระใจที่จะอยากได้อยากดีทำไปเรื่อยๆยืนตรงไหนก็กำหนดจดจอเดินตรงไหนก็กำหนดจดจ่อย่าไปพูดคุยกันทาไมเสียดายเวลาเวลานั่งหายใจทิ้งนั่งคุยกันทิ้งเป็นครึ่งครึ่งวัน เป็นเท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาเป็นท่านั้นชั่วโมงเท่นี้ชมมั่วโมงสิ่งหนึ่งที่เราควรคิดคือคิดเสียดายเวลาเรา เ, าเวลานี้ปลีกตัวหาหมุมสงบมาทำอะไรช่วงไหนระยะไหนเวลาไหนเราก็พยายามหาหมุมสงบให้ทำตัวเป็นเหมือนไก่ป่าให้ทาตัวเป็นเหมือน สัตว์ป่า ม, ม, มันไม่เชื่องชิงกับไม่เชื่องชินกับคนไม่เชื่องเชื่องชินกับนายพรานพอขยับเข้ามาแล้วแตกคือหมดขยับเข้ามาก็แตกคือหมดเราต้องทําตัวแบบนั้นเวลามูเพื่อนขยับเข้ามาก็เหมือนนายพรานขยับเข้ามาแตกคือหมดไม่ใช้เชื่องชินไปเพราเชื่องชินไปกับนายพรานกัดปอกปตายปอกปอกตายพอเข้าหากันปับ เหมือนก็บถูกแล้วถูกแล้วป๊อกๆแล้วปอกๆละเดินออกจากกันไม่ได้แล้วปอกๆตายเสียดายเวลาทิ้งเวลาอ่าเวลาเป็นเวลาเสียเวลาไปฟรีๆต้องทําตัวแบบไม่เชื่องไม่ชินไม่จําเป็นพูดแล้วก็ไม่พูดไม่จําเป็นคุยแล้วก็ไม่คุยไม่มีเรื่องจําเป็นแล้วไม่พูดไม่คุยเสียเวลา หาหมุมสงบเพื่อสะสมสิ่งที่เป็นมรดกอันล้ําค่าคือคุณธรรมที่จะเพิ่ให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในหัวใจของเราอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญวันคืนล่วงไปไม่มีสายความเพี้เกียรติครานเท่านั้นอ่ะที่จะทําให้เราเห็นว่าไม่เหมาะแล้วไม่มีโอกาสแล้วไม่มีเวลาแล้วสายแล้วข้ามแล้ว มืดแล้วสว่างแล้วมันคอยกระซิบกระซาบบอกเพื่อที่จะหลบเพื่อที่จะหลีกเพื่อที่จะเลี่ยงช่วงไหนระยะไหนเวลาไหนลุกขึ้นมาจ่อเข้ามาที่หัวใจของเราช่วงไหนระยะไหนเวลาไหนจ่อขึ้นมาที่หัวใจของเราเราจ่อขึ้นมามันก็เป็นการกระตุกมันเป็นการปลุกมันการเป็นการเตือนให้จิตเราตื่นให้จิตเราขึ้นลุกขึ้นเพื่อทํางานทําการเดินทําความรู้สึกอยู่กับเดิน ทำนุนทำนี้ทำความรู้สึกอยู่กับธรำนั่งทำความรู้สึกอยู่กับนั่งท่องบนส่วนบนทําความรู้สึกอยู่กับท่องบนส่วนบนนั่งนึกคิด ล, ล, ล่องลอยเลื่อ ย, อยเปลยจนเป็นเหตุเสียหายอันนี้น่าเสียดายเวลาน่าเสียดายคุณสมบัติที่เราจะพึงได้พึงพึงถึงถ้าเผื่อเราประกอบสิ่งนั้นๆอย่าลืมว่าเราประกอบทุกครั้งเราไม่ไม่ประกอบเปล่า มันมีผลตามมาที่จะทําให้เราเก็บดอกเก็บผลตามมาไม่มีว่างไม่มีเปล่าทุกอย่างที่เราทําเหตุลงไปแล้วไม่มีเปล่าเลยที่จะไม่มีผลตอบรับมันต้องมีผลตอบรับตั้งใจทํามากก็ได้รับผลมากตั้งใจทําน้อยก็ได้รับผลน้อยตรงกันข้ามไม่ได้ตั้งใจทําเลยไม่มีผลเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุเมื่อไม่สร้างเหตุผลก็ไม่มีเราคํานึงคํานวณ ถึงสิ่งเหล่านี้มาบอกตัวเองมาเตือนตัวเองแล้วก็มาปึุงระมัดระวังสํารวมระมัดระวังศินก็สํารวมเข้าไปสัมรวมกายสํารวมวาจาใจสํารวมเข้าไปให้ใจสงบระงับไม่ให้อารมณ์ข้างในมันหลอกว่อนไปรุ่นว่อนไปสารพัดถ้าหากเราไม่ตั้งใจฝึกไม่ตั้งใจฝืนอย่างแท้จริงเราอยู่คนเดียวโดดโดโดเดี่ยวอิดสระเสรีมากเหลือเกิน นั่งคิดนึกเลื่อยเปยื่อยเป็นเรื่องเป็นราวรู้ไปนุ่นรู้วันนีน้พอมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งไม่ได้อะไรหมดเวลาไปเท่านั้นหมดเวลาไปเท่านี้อวันนี้ไม่ได้อะไรอีกแล้ววันนี้ไม่ได้อะไรอีกแล้วรู้อยู่ปลกุกตัวเองให้ตื่ น, นะอะไรคือทรุระอะไรคือหน้าที่ควรเดินควรนั่ง ควรกำหนดจดจอ่อควรพิจารณาควนคลี่คลายควรทำอะไรประโยชน์อะไรอย่างอื่นเราก็ทำไปให้เกิดรูปธรรมใช้ความอุตสาหพยายามใช้ความภาคความเพียรให้เป็นให้เป็นเครื่องช่วยกระตุนเสริมกระตุ้นเสริมความภาคความเพียรทำข้อวัดรต่างๆก็เป็นเครื่องช่วยเสริมให้เรามีความภาคความเพียรทำภาระ ข้างนอกทำนู่นบ้างทำนี้บ้างทำอะไรบ้างทำกับหนดจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวกับเรื่องเดียวมันก็ไม่เสียหายอะไรมันมันก็เป็นกา ร, ครเครื่องปลุกให้เราตื่นให้เราอุตส่าห์พยายามให้เราขยันมันเพียรสร้างนิสัยใหความอุตส่าห์พยายามความขยันมันเพียร응นี่เราสร้างนิสัยเราก็ต้องสร้างอย่างนี้เอาประโยชน์จากการที่เราภาคเราเพียรเวลาเราไปตั้งใจกับหนดจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียว มันก็ได้ผลได้ผลได้ช่องได้ทางได้แบบอย่างทุกอย่างสําเร็จจากการฝึกฝอนอบรมตนเองทั้งนั้นแหละเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นบรรยากาศที่เหมาะเราเสียดายาเวลาเวลากลางคืนมีเวลาก็เดินจงกรมเดินมากเดินนอ้อยเดินให้เต็มกําลังเดินจนเหน็ดเหนื่อยทุกขึ้นไป กุฏิก็ไปภาวนาภาวนาจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อไปแล้วก็เฮ้ยถึงกุฏิแล้วกัมตื่นขึ้นมาอีกอได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงชาวโลกเขาทําหากินแล้วได้ยินเสียงนกมันเชียวแจ้วเชียวแจ้วหละนกหากินแล้วนอนด้วยความหลุมหลง นอนไม่อิ่มนอนไม่พอด้วยเหตุที่นอนขาดสติขาดความสัมรวมระมัด ร, ระวังขาดความรำพึงรำพันถึงข้อประพฤติข้อปฏิบัติของตัวเองไม่มีอะไรเป็นเครื่องมาเตือนมาเป็นเครื่องมาปลกุกให้เราตื่นเนื้อตื่นตัวในการประกอบประกอบความเพียรธรรมเจริญสำนึกธรรมของเรานี่เรา พิจารณาคำนึงคำนวณสิ่งเหล่านี้ให้มากอืมเราแหละเป็นที่พึ่งของเราอัตติอั ต, อตโนนาทโถตนเป็นที่พึ่งของตอนลูกเองตื่นเองเตือนเองระมัดระวังเองสํารวมเองอะไรเองบริโภคเองอิ่มเองตั้งใจปฏิบัติขัดเราได้รับความสุขได้รับความสงบได้รับความผ่องใสเอง มันหากมีผลตามมาในภายหลังอย่างคุ้มค่าหากเราตั้ง อ, อกตั้งใจทำงานด้วยความอดด้วยความทนเอาละพอสมควรแล้เอาครับ